ฉันไม่เป็นไรชีวิตดำเนินต่อไปอย่าถามว่าฉันเจ็บไหมที่เธอทำร้ายเท่านั้นไม่ต้องห่วงใหญ่ตอนรักไม่เคยห่วงฉันตอนทิ้งไม่เห็นห่วงกันตอนนี้ห่วงฉันทำไไาไยแยกกันไปตั้งใจ อย่าพดคุยไปเพื่อใครฉันเจ็บแค่ไหนบอเธอได้เพียงเท่านี้วันเจ็บกค่ตอนให้กจแค่วันละหลายมิลครั้งแค่หมดไม่เลือกความหวังแค่พังไม่มีที่มันเจ็บ ผร้ายอีกแล้วฉันไม่เป็นไรยังฟืน้นยังทนอยู่ไหวหมดลงหายใจวันใหนฉันคงจะหายวันนั้นไม่ได้สั่นเสียไม่เห็นต้องดูใจกันผ่านไปแค่วันป่าวังไม่รู้ เไรแยกกันไปบังดางอย่าุกคุยไปเพื่อใครยันเจ็บแค่ไหนบอกเธอได้เพียงเท่านี้มันเจ็บแค่ตอนให้ใจแค่วันละหลายมือครองแค่หมดในเลือความหวังแค่พังในหมีม มันแจบแค่บบอนห้ยใจจะไปน้อยนิดคงเก็บไม่มากว่านี้ผรอนู้ร้รายอีกนามันจบแะปอนหใจมันจบแค่บบอน